ที่เกลียดลุกจากที่นอนเท่ากับที่เกียดลุกขึ้นมาพบ ก, กับความสำเร็จอากาศเย็นเป็นโอกาสยอมอ่อนแอสำหรับคนคิดนอนต่อแต่เป็นโอกาสฝึกความเข้มแข็งสำหรับคนคิดลุกขึ้นมาสร้างวันใหม่ถ้าร่างกายอยากตื่นตามเวลาแต่จิตใจอยากหลับต่อก็เท่ากับยอมให้อารมณ์ไขว่เขวรอบงำ แค่เริ่มชีวิตวันใหม่อย่างควาเควแล้วจะสะสางปัญหาวันเก่าให้ตรงจุดอย่างไรไว้สำหรับคนที่อยากฝึกตนให้ตรงไปสู่ความสำเร็จแต่เช้าลืมตาขึ้นมาก็มีโอกาสฝึกแล้วแต่สำหรับคนที่อยากปล่อยตนให้ย่ำอยู่กับที่หรือกระทั่งจมอยู่กับความล้มเหลวเช้าขึ้นมาก็แค่แกล้งหลับตาต่อไม่ลืมตาตื่น ทาร่างกายอยากตื่นตามเวลาและจิตใจตื่นตามโดยไม่สนเหยื่อล่อหยวนใจเท่ากับฝึกกำจัดอารมณ์ไข้เขวเมื่อเริ่มชีวิตวันใหม่ตรงเวลาก็กำจัดอุปสรรคบนทางตรงสู่ความสำเร็จแล้วไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เพศไหนก็ตามภาพประกอบมีคนนอนงายอยู่และคิดในใจว่า เมื่อไรฝันจะเป็นจริงสักทีตอบว่าตอนใกล้ตายก็อาจจะยังต้องนอนคิดอย่างนี้อยู่นะความขี้เกียจเป็นฐานที่มั่นคงของความฟุ้งซ่านและห่อเหี่ยวแต่ก็มีข้อยกเว้นที่เป็นตรงข้ามคือถ้าขี้เกียจรู้เรื่องชาวบ้านจะช่วยลดความฟุ้งซ่านอันเกิดจากการคิดเรื่องไม่เป็นเรื่อง กับทั้งป้องกันความห่อเหี่ยวอันเกิดจากการเอาเรื่องน่าละเียใจยของคนอื่นมาใส่ตนวิธีง่ายๆที่จะสร้างนิสัยขี้เกียจ ร, รู้เรื่องชาวบ้านคือเลิกเอาใจไปใส่เรื่องเขาแล้วเอาการรู้เห็นเข้ามาใส่จิตเราเห็นโทษทางจิตของการชอบรู้เรื่องชาวบ้านเห็นภัยทางใจของการชอบพูดเรื่องชาวบ้าน ทราบแก่ใจว่าการรู้เรื่องชาวบ้านนั้นตอนเริ่มต้นอาจเหมือนเรื่องเบาสมองน่าพูดคุยเอามันแต่ยิ่งจดจ่อนานยิ่งพูดคุยมากก็จะยิ่งหนักหนายิ่งรกหัวยิ่งออกอ่าวหาฝั่งไม่เจอธรรมดาเมื่อฝึกจิตให้เห็นโทษของสิ่งใดอยู่จิตย่อมฉลาดอยากหลีกตัวออกห่างไปเองเหมือนขี้เกียจ เหมือนนึกครานที่จะรับโทษมาใส่ตนไปเองภาพประกอบคนหนึ่งว่าเสียงลือคือหลักฐานและวหูวราะตอบว่าถ้าชีวิตไม่ค่อยเจริญก็อย่าได้สงสัยว่าใครทาความน้อยใจเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าน้อยใจบ่อยผิดปกติ น้อยใจไปได้ทุกเรื่องก็แปลว่าน้ำใจน้อยจนเกินไปต้องรีบสะสมน้ำใจให้มากขึ้นเป็นการเร่งด่วนเริ่มจากการหัดให้ก่อนหัดให้เปล่าแก่ผู้สมควรรับโดยเขาไม่ต้องขอหัดอภัยแก่ผู้ไม่ได้คิดผิดประพฤติพลาดซ้ำทราบหัดอยู่กับคนอื่นด้วยการรับฟังความคิดเห็น เพื่อจะได้ฝึกทำความเข้าใจคนอื่นแล้วพัฒนาเป็นการรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นบ้างรู้ว่าเราไม่ได้กระวนกระวายอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้น้อยใจเป็นอยู่เพียงลำพังไม่ว่าใครก็มีสิทธิ์กระวนกระวายและน้อยใจได้เหมือนกันในานามของความน้อยใจไม่มีความผิดใดเป็นของตัวเมื่อเกิดแรงดันให้อยากระชด ด้วยการทำร้ายตนเองหรือเกิดแรงแค้นให้อยากเอาคืนด้วยวิธีทำร้ายคนอื่นใจที่มืดพอจะมีข้ออ้างที่ฟังดูดีสำหรับตัวเองเสมอในานามของความน้อยใจความน้อยใจเป็นใหญ่กว่าความชอบทำอื่นใดเสมอแรงกดดันคือความผิดที่คนอื่นสร้างความอยากระบายบ้าง คือเป็นความชอบธรรมที่ตนเองมีในนามของความน้อยใจความน้อยใจถูกต้องที่สุดในโลกเสมอแม้อัตตาติดกิจวิธีคิดเพียเพ้ยนเทียนจะเติบกล้าถึงขีดสุดแม้เคยด่าคนอื่นว่าเห็นแก่ตัวไว้อย่างไรแม้เคยหัวเราะการทำเรื่องโง่ๆของคนอื่นไว้แค่ไหนในที่สุดก็เหมาเองหมด โดยไม่สนอะไรทั้งสิ้นอัดส่องใจเห็นใจคนอื่นสัมผัสทุกในใจคนอื่นให้ได้จริงนำใจจะตวีขึ้นเองแบบก้ากระโดดโดยไม่ต้องฝืนใจภาพประกอบผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นว่าหนูน้อยใจกว่าเพราะงั้นต้องได้ความสำคัญก่อนมีคำตอบว่า ความน้อยใจกลายเป็นความดีความชอบตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย